โพธิวันธนวัหมวดว่าด้วยพระโพธิวันธกะเป็นต้นหนึ่งโพธิวันธกะเทราประทานประวัติในดิจชาตของพระโพธิวันธกะเทระพระโพธิวันธกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นต้นแครไฟล์ซึ่งงอกขึ้นบนแผ่นดินงามรุ่งเรืองจึงห่มผ้าเฉวียงบ่าและประนมมือไหว้ต้นแครไฟล์ แผลนประคองอัญเชลีแล้วตั้งใจเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ทั้งภายในทั้งภายนอกหลุดพ้นดีแล้วไม่มีอาสวะข้าพเจ้าได้ไหว้ต้นแคร่ฝอยดุจไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีที่ชาวโลกบูชามีพระกรุณาญาณดุจสาครเฉพาะพระพักเนื่ยขับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ไหว้ต้นโพไว้ ยังไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการไหวคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแป8และอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระโพธิวันตกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประกาศนี โคที่วันเถะเทราประธานที่หนึ่งจบสองปาติลิปุพิยะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระปาติลิปุพิยะเทระพระปาตาลิปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าวิปัสสีผู้เป็นพระสยามภูมเป็นบุคคลผู้เลิศทรงชนะมาร พอมล้อมด้วยพระสาวกของพระองค์เสด็จเข้าไปยังกรุงพันธุมดีเขาพระเจ้าห่อดอกแพ่ฝอยสามดอกไว้ที่ชายพกประสงค์จะอาบน้ําดํากล่าวจึงได้ไปยังฝั่งแม่น้ำเข้าพระเจ้าออกจากกรุงพันธุมดีได้เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นําสัตว์โลกรุ่งเรืองดังดอกอุบลเขียวโฉดช่วงเหมือนดวงไฟใหญ่องค์อาดุษฎยาเสือโครง่ง ประเสริฐดุจไกรสอราชสีผู้มีชาติสูงเลิกกว่าสมณะทั้งหลายมีโมภิกษุแวดล้อมกำลังเสด็จดำเนินไปข้าพเจ้าเลื่อมสายพระสุคตผู้ชำระมนทินเพริกิเลพระองค์นั้นจึงได้ถือดอกแครอยสามดอกไปบูชาพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเนี่ยกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไวจึงไม่รู้จักทุคติเลย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 ปาตาลิปุพยะเทราประธานที่สองจบสามตีนุปปละมาริยะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระตีนุปปละมาริยะเทระพระตีนุปปละมาริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นวานอนอาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคา ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเครืคอกิเลสประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขาทรงทำทิศทั้งปวงให้สว่างสวัยอยู่ดังต้นพยามาสาละมีดอกบานสะพรั่งทรงประกอบด้วยพระลักษณะและอนุพยัญชนะครันได้เห็นแล้วก็มีความปลื้มใจข้าพุทเจ้ามีจิตเบิกบานมีใจยินดีร่าเริงด้วยปีติได้ใช้ดอกอุบลสามดอกบูชาเหนือเสียนกล่าว คล้นใช้ดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุษะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วเคารพนอบนอบแล้วบ่ายหน้าหลีกไปทางทิศเหนือเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินกระยมกลับไปด้วยใจที่ผ่องใสจึงพลัดตกไปในระหว่างภูเขาหินถึงความสิ้นชีวิตแล้วด้วยกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้มั่นข้าพเจ้าละชาติเดิมแล้ว ได้เพื่อเกิดอย่างสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าได้ครองเทวสมบัติสา0ร้อยชาติและได้เกิดเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิห้าร้อชาติในกลับที่92บสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสั m p a ศรี 4, วิโมกข์ปและอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระตีนุปละมาริยะเถระได้พาเสดกถาเหล่านี้ด้วยประการลชนิดตีนุปละมาริยะเทราประทานที่สามจบสปฏิปุพพยเทราประทานประวัติในดีิชาติของพระปฏิปุพพยเทระ พระปฏิปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระนามว่าปทุมุตตะเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วชนทั้งปวงมาประชุมกันแห่พระศรีระไปเมื่อนำพระศรีระไปเมื่อเขาประคมกรองเพรียอยู่พระพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดี ได้ใช้ดอกประดูบูชาในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระชริระกิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพระเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้ว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 ได้ทราบว่าท่านพระปฏิปุพพยเถระได้พาสิฟกถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้ปฏิปุพพยเถราประทานที่สี่จบ 5. สัตตะปัญญะเถราประทานประวัติในดิจช่าของพระสัตตะปัญญาเถระพระสัตตะปัญญาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพระนามว่าสุมนณะเสด็จอุบัติขึลนแล้วข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้ต้นตีนเป็ดบูชาเนื่อครับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ต้นตีนเป็ดบูชาไวจึงไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแน่งการบูชาด้วยต้นตีนเป็ดกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผ า, เาได้แล้ว พบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเล็กเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาศวะดุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพเจ้าได้มาสํานักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลําดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสําเร็จแล้ว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 พันธามุติยะเทราประทานประวัติในดิจชาตของพระคันทามุธิยะเทระพระคันทามุธิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเมื่อมหาชนกำลังช่วยกันทำจิต ก, กาธานอยู่ขนของหอมต่างๆมากองรวมกันแล้วข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ใช้ของหอมกรรมือหนึ่งบูชาจิ ก, กาทาน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 ท่านพระคันธมุติยะเทระได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการาชนี้คันธมุติยะเทราประธานที่หกจบเจจิตตกะปูชกะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระจิตกกจตกะปูชกะเทระพระจิตตกะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมุตระเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วเมื่อมหาชนช่วยกันยกพุทธสริระขึ้นบนจิตกราทานแล้วข้าพเจ้าได้ใช้ดอกสาระบูชาเนี่ยกลับที่หนึ่งแส น, นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาจิตกราทานกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว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 คนวิเศษเหล่านี้เคอร์ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินญาหกเขาพ ร, า 6, ขาระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระจิตกะปูชกะเทระได้พาสิทธิคาาเหล่านี้ด้วยประการศนี้จิตกะปูชกะเทราประทานที่เจ็ดจบแปด สุมานตาลวันติยะเถราประธานประวัติเนดิตชาติของพระสุมานตาลวันติยะเถระพระสุมานตาลวันติยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติเนดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายพัดไปตาลซึ่งอบด้วยดอกมะลิแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะข้าพเจ้าทรงไว้ซึ่งยศใหญ่เนี้กลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายพัดใบตานไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายพัดใบตานกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้ากรถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุพยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการที่ข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้า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 ได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการัชนีสุมนณตาลวันติยะเทราประทานที่8ปดจบเก้าสุมนณทามิยะเถราประทานประวัติในดิตชาตของพระสุมนณทามิยะเทระพระสุมนณทามิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระเจ้าได้ร้อยภูมาลัยดอกมะลิแล้ว ยืนทรงถือไว้เบื้องพระภาคของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธะัะผู้บริสุทธิ์ชํมระกิเลตมีตบะเนกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้พวงดอกมลิบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยพวงดอกมลิกิเลตทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในดิจชาของพระกาสุมาริพละทายกะเถระพระกาสุมาริพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราจากธุลีคือกิเลชด่วงดังดอกกัิกาผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อากววานรชนประทับนั่งอยู่ระหว่างภูเขา ข้าพเจ้าเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีจึงประนมมือไหว้เนื้อเสียนเกล้าแล้วได้ถือผลเมรื่นไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเนตกลับที่สาสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 วิโมกแปดและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกาสุมาฤพละทายกะเทระได้ภาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนี้กาสุมาฤภละทายกะเทราประธานที่สิบจบโพธิวัฒ น, นวัคที่สามสิบแปดจบบริบูรณ์ รวมอปทานที่มีนิวรค์นี้คือ 1. โพธิวันทกะเทราประทาน 2. ปาตลิปุพิยเทราประทานสตีนุปละมาลิยเทราประทาน 4. ี่ปฏิปุพิยเทราประทาน 5. ้สัตตปัญญะเทราประทาน 6. กพันธมุติยะเทราประทาน 7. จ็จิตกะปูชกะเทราประทาน8 สมณะตาละวันติยะเทราประทานเก้าสมณะทามิยะเทราประทานสิบกาสุมาริภละทายกะเทราประทานมีคาถาห้าสิบก้าคาถา พระตาพละวัคหมวดว่าด้วยพระอัมพตาพละเป็นต้นหนึ่งอัมพตาพละทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระอัมพตาพละทายกะเทระพระอัมพตาละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคสามพุทธเจ้าพระนามว่าสตารางังสี ผู้เป็นพระสยามภูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้ทรงประสงค์วิเวกได้เสด็จออกโคจรบินทะบาทเขาพระเจ้าถือผ ล, ลไม้อยู่ได้เห็นพระองค์ผู้องค์อากก่อนนรชนจึงเข้าเฝ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายผลมะกอกเนื้อกลับที่ข้าสสนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลย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 อัมพตะพละทายกะเทราประทานที่หนึ่งจบ 2. อลาพุชะทายกะเทรา ป, าป ร, ะ, าร ะ, ะ, ะทาน ป, ประวัติในอดีตชาติของพระลาพุชะทายกะเทระพระลาพุชะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นคนเฝ้าสวนอาศัยอยู่ในกรุงพันธุมดี ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีคือกิเลสกําลังเสด็จเหาะไปในอากาศเขาพระเจ้าได้ถือผลขนุนสัมปลอไปถวายพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดพระองค์ผู้มีพระยชน์ยิ่งใหญ่ประทับยืนอยู่ในอากาศทรงรับผลขนุนแล้วนั่นเป็นเหตุที่เขาพระเจ้าเกิดปีตินําความสุขมาให้ในปัจจุบันเพราะได้ถวายผลไม้แด่พระพุทธเจ้าด้วยใจที่ผ่องใส ข้าพเจ้าได้ปีติและความสุขอย่างสูงสุดเหลือล้นในครั้งนั้นรัตนะย่อมเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าผู้บังเกิดในภพนั้นๆนเนี้อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วภพทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว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 ประวัติในอดีตชาติของพระอุทุมพรพละทายกะเทระพระอุทุมพรพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษสูงสุดประทับอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำนินนาคาข้าพเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีเือกิเลตเป็นเอกอัคารบุคคลมีพระหารไทยตั้งมั่นด้วยดี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 และอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทํำสําเร็จแล้วดังนี้แลได้จราบว่าท่านพระอุทุมพรพระทายกะเทระได้พาสิทธิขาเหล่านี้ด้วยประการฉนิอุทุมพรพระทายกะเทราประธานที่สามจบสปิลักษะพระทายกะเทราประธาน ประวัติในดิชาติของพระปิลัขะพละทายกะเทระพระปิลัขะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้เห็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัตสีผู้มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่แนวป่าจึงมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายผลดีปรีเนื้ขับที่หนึ่งร้อยสิบแปดนับจากกขับนี้ไป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 ท่านพระปิลขะพระทายกะเทระได้พาสุขถาเหล่านี้ด้วยประการาชนิปิลขะพระทายกะเทราประทานที่สี่จบห้าพระรุษะพระทายกะเทราประทานประวัติในอดีตชาติของพระพระรุษะพระทายกะเทระพระพารุษะพระทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคําผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จดําเนินอยู่ที่ถนนจึงได้ถวายผลมะปรางแด่พระองค์เนี้กลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้ว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 วันลิพัลทายกะเทราประทานประวัติในอดิตชาติของพระวันลิพัลทายกะเทระพระวันลิพัลทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นชนทั้งปวงชักชวนกันไปยังป่าในครั้งนั้นพวกเขาสแสวงหาผลไม้ได้ผลไม้แล้วในป่านั้น ข้าพเจ้าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระสยามภูผู้ไม่ทรงพ่ายแพ้จึงมีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถวายผลเคลือเถาแตงโมเนื้อกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับน้ไปเข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผ า, าได้แล้ว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 กรลลิภะลทายกะเทระประทานประวัติในดิชา่ิของพระกะทัลลิภะลทายกะเทระพระกะทัลลิภะลทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระาศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงรุ่งเรืองดังดอกกณิกาช่อช่วงเหมือนดวงจันทร์วันเพนและเหมือนต้นพฤษาประทีป ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ถือผลกล้วยไปถวายแด่พระศาสดาไหว้แล้วก็หลีกไปเนี่กลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้ว อยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะหดุพญาช้างต่เครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระการเข้าพเจ้าได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสเข้าพระเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิน ญ, ญาหก ข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระกรทลิภะะทายกะเทระได้พาสุจคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้กระทลิภะะทายกะเทราประทานที่เจ็ดจบแปดปัญสสะภะทะทายกะเทราประทาน ประวัติในดิจฉาของพระปณิพสะพละทายกะเทระพระปณิสสะพละทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอัจุณะส่งพี่พร้อมด้วยจรณะและเป็นพระมุนีฉลาดในสมาธิประทับอยู่ที่ภูเขาหิมพานเขาพระเจ้าถือผลขนุนสุกสดผลขนาดเท่าหม้อ ได้ถวายพระศ า, าสดาวางไว้ที่ต้นตีนเป็ดเลี่ยกับที่91นับจากกลับนี้ไปเขาพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้กิเลสทั้งหลายเขาพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงเขาพเจ้าก็ถอนได้แล้วเขาพเจ้าตัดกิเลสคลื่นขูดพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาจวะ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 คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปัญสะพละทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยพระการาชนน้ปัญสะพละทายกะเทราประทานที่แปดจบก 9. โสนโกติวิสะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระโสนโกติวิสะเทระ พระโสนโกติวีสะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีข้าพเจ้าได้สร้างท้ำไว้แห่งหนึ่งถวายแด่สง์ผู้มาจากที่ทั้งสี่ในพันธุมาราชธานีข้าพเจ้าบริจาคผ้าหลายผืนไว้ลาดพื้นถ้ำในครั้งนั้นข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ทำความปรารถนาว่า ข้าพเจ้าพึงให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดปรานพึงได้บรรพชาและพึงสัมผัส พ, พระนิพพานซึ่งเป็นธรรมสูงสุดสงบอย่างยอดเยี่ยมด้วยกุศลโมูลนั้นนั่นแลข้าพเจ้าระลึกชาติได้ถึงเก้าสิกับข้าพเจ้าเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามได้สร้างบุญไว้รุ่งเรืองนักด้วยผลกรรมที่เหลือจากนั้นในภพสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเกิดเป็นบุตรคนเดียวของอครเศถีในกรุงจำปาพอฟังข่าวข้าพเจ้าว่าเกิดแล้วบีเดีวก็มีความพอใจดังนี้ว่าเราจะให้ซัพยี่สิบโกรธแก่กุมารไม่ให้ลดหย่อนเลยขนยาวประมาณสี่นิ้วเส้นละเอียดมีสัมผัสอ่อนนุ่มเสมอเหมือนปุยนุ่นงดงามเกิดที่ฝ่าเท้าทั้งสองของข้าพเจ้า ข้อนี้เป็นอาการพิเศษประการหนึ่งตลอดเก้าสิบกลับที่ล่วงมาเขาพระเจ้าไม่รู้สึกในเมื่อวางเท้าลงบนภ้าพื้นที่ไม่มีเครื่องลาดเลยเขาพระเจ้าให้พระพุทธเจ้าโปรดรานแล้วบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุอรหัตผลและเป็นผู้เย็นดับแล้วพระาศาสดาผู้ทรงเห็นเหตุทั้งปวงทรงแสดงว่าเขาพระเจ้าเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้ปรารพความเพียร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 ควาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละพระโสนะโกติวิสเถระเป็นหัวหน้าของภิกษุสงฆ์ถูกถามปัญหาแล้วได้พยากรณ์ที่ใกล้สะใหญ่ชื่ออนโนดาดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระโสนะโกติวิสเถระได้พาสิกถาเหล่านี้ดรวยประการฉนิษ โชนโกติวีสะเถราประธานที่9้าจบ10พุทธาประธานชื่อบุพภะกรรมปิโลติประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่าพระอนนเทเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าว่าด้วยบุพกรรมเก่าจึงกล่าวว่าณพื้นศิลาที่น่ารื่นรมใกล้สาอ น, นดาษ ช่วช่วงด้วยรัตนะต่างๆในละแวกป่ามีดอกไม้มีกลิ่นหอมนาน า, นานชนิดพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกมีหมู่พิกษุหมูใหญ่ห้อมล้อมประทับนั่งที่ศิลาอาจนั้นทรงพยากรบุปกรรมของพระองค์ว่าพิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังกรรมของเราเราเห็นพิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดจึงได้ถวายผ้ากเก่าผืนหนึ่งหนึ่งการนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาการตรัสรู้เพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกผลของการถวายผ้าเก่าให้ผลในความเป็นพระพุทธเจ้าในชาติปางก่อนเราเกิดเป็นนายโคบานต้อนโคไปเลี้ยเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุนจึงห้ามมันไว้ด้วยผลกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้เรากระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนา ในชาติอื่นๆในบางก่อนเราเกิดเป็นนักเกลงชื่อว่าปุนาลิได้กล่าวตู่พระปจเจกพระพุทธเจ้ามีนามว่าสุรพีผู้ไม่ประทุษร้ายใครด้วยผลกรรมนั้นเราจึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานสวยทุกขเวทนาหลายพันปีด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นในภพสุดท้ายนี้เราได้รับการกล่าวตู่เพราะแนวสนตรีเป็นเหตุ เพราะการกล่าวตูพระเถระนามว่านันทะผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวงเราจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหนึ่งแสนปีครั้นได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้รับการกล่าวตูมากด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นนางจินจะมานวิกาจึงมากล่าวตูเราด้วยคาไม่จริง ทำกลางหมู่ชนเราเกิดเต็นพราหมณ์ผู้มีสุตตะซึ่งประชาชนสักการะบูชาได้สอนมนให้มานกประมาณห้าร้อยคนในป่าใหญ่เราได้เห็นฤาษีผู้น่ากเกรงกลัวผู้ได้อภิญญาห้ามีฤทธิ์มากมายังสำนักของเราเราจึงกล่าวตูรฤาษีผู้ไม่ประทุษร้ายใครครั้งนั้นเราได้บอกพวกศิษย์ว่า ฤาษีตนนี้มักบริโภคกลามคุณเพียงเราบอกเท่านั้นพวกมานพก็พลอยเชื่อตั้งแต่นั้นมาพวกมานพทั้งหมดไปเที่ยวหาอาหารในตระกูลทั้งหลายพากันบอกประชาชนว่าฤาษีตนนี้มักบริโภคกลามคุณด้วยผลกรรมนั้นภิกษุห้าร้อยรูปเหล่านี้ได้รับการกล่าวตูเพราะนาสุนทรีเป็นเหตุ ในชาติก่อนเราเรียกฆ่าน้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์จับโยนลงซอกภูเขาแล้วโยนหินทับไว้ด้วยผลกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผลักก้อนหินกลิ้งลงมาสะเก็ดหินกระทบนิ้วหัวแม่เท้าของเราจนพ่อเลือดในชาติก่อนเรายังเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่ได้เห็นพระปัเจกพระพุทธเจ้าจึงวางก้อนโกรธไว้ที่ขนทาง ด้วยผลกรรมนั้นในภพสุดท้ายนี้พระเทวทัตจึงชักชวนนักแม่นธนูผู้เป็นนักฆ่าเพื่อฆ่าเราในชาติก่อนเราเป็นนายควานช้างได้สายช้างไล่พระปัจเจกขพุทธเจ้าผู้เป็นพระมุนีสูงสุดซึ่งกำลังเที่ยวบินธบาตด้วยผลกรรมนั้นช้างนาลาคิรีเชือกดุร้ายจึงวิ่งไล่เราในกรงราชครืออันประเสริฐ ในชาติก่อนเราเป็นทหารรากได้ใช้หอฆ่าคนจานวนมากด้วยผลกรรมนั้นเราจึงถูกไฟไหม้อย่างร้อนแรงในนรกด้วยผลกรรมที่เหลืออยู่ในบัดนี้ไฟนั้นยังตามมาไม่ถิวหนังที่เท้าของเราทุกแข่งเพราะกรรมยังไม่สิ้นไปในชาติก่อนเราเป็นเด็กเล็กลูกของชาวประมงอาศัยอยู่ในเกวัตะคาม เห็นชาวประมงฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสด้วยผลกรรมนั้นเราจึงปวดศีรษะในเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายถูกฆ่าคราวที่พระเจ้าวิถุทพะฆ่าเราได้ด่าบริพาทเหล่าสาวกในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุษะด้วยคำว่าท่านทั้งหลายจงขบเคี้ยวจงฉันแต่ข้าวเหนียวอย่าได้ฉันข้าวสาลีเลยด้วยผลกรรมนั้น เรารับนิมนต์พราหมณ์อยู่จำพรรษาในเมืองเวรัญชาได้ฉันแต่เข้าเหนียวตลอดสามเดือนในชาติก่อนเมื่อนักมวยกําลังชกกันเราเรียกกันบุตรชายนักมวยปรไว้ยด้วยผลกรรมนั้นเราจึงเกิดความทุกข์ที่สันหลังปวดหลังในชาติก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้ลูกชายเศรษฐีถึงแก่ความตายด้วยผลกรรมนั้น เราจึงปวดเป็นโรคปักขันที่กาพาดครั้งนั้นข้าพเจ้าชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตพระนามว่ากัสปะว่าการตรัสรู้ที่คนต้นโพจกมีมาแต่ที่ไหนการตรัสรู้หาได้แสนยากด้วยผลกรรมนั้นเราจึงได้บำเพ็ญทุกขระกิริยานา น, านถึงหปีต่อจากนั้นจึงได้บรรลุพระโพธิญาณที่ตําบลอุรุเวลา แต่ว่าเราก็ม่ได้บรรลุพระโพธิญาณที่สูงสุดด้วยทางนี้เราถูกกรรมในปางก่อนตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณผิดทางเราสิ้นบาปสิ้นบุญแล้วปราศจากความเร่าร้อนทุกอย่างไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความคับแค้นไม่มีอาสวะจากปรินิพานพระพุทธินเจ้าได้ทรงบรรลุ ก, กําลังแห่งอภิญญาทั้งปวงแล้ว ทรงพยากรโดยมุ่งหวังประโยชน์สำหรับหมูพิกษุที่ใกล้สะใหญ่ชื่ออนโนดากเดือประกาฬชน้แลได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพาสิทธธรรมบัญญายพุทธาประธานชื่อปุพภะกรัรมมะปิโลติซึ่งเป็นบุพพจริตของพระองค์เดือประกาะชนีแลพุทธาประธานชื่อปุพภะกัมมะปิโลติที่สบจบ อัมพตะภละวรคที่39จบบริบูรณ์รวมอัปทานที่มีในวัคนี้คือ 1. นึ่อัมพตะภละทายกะเทราประทาน 2. ล า, า, าพาุชะทายกะเทราประทานสอุทุมพรภละทายกะเทราประทาน 4. ปิลขะภละทายกะเทราประทาน 5. ้าภรุชะภละทายกะเทราประทาน 6. วันลิพละทายกะเทราประธานเจ็ดกระทลิพละทายกะเทราประธาน 8. ปดจันสระพละทายกะเทราประธานเกโสนโกติวีสะเทราประธานสิพุทธาประธานชื่อว่าปุพพรกัมมบปิโลติบันดิตทั้งหลายนับได้เก้าสบเอดคถา ภาณวาระที่14จบ